เชื่อว่าฉันพอจะจำภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมได้และตัวฉันเองก็เคยเข้าไปติดอยู่ในสุสานใต้ลูกเขาของนคร น, นี่มาแล้วเอาล่ะเชื่อว่าคงไม่เกินความสามารถหรอกขยินก็อยู่อีกทั้งคนเนี่ยกันหนักใจอย่างเดียวแหละเราจะแก้เวทมนตริตยาอาคมของมันได้ยังไงเฮ้ยนะมือถึงเวลาเราคงคิดออกเองอะเรามี TNT แล้วเราก็มีหนานอิน ซึ่งในทางสายวทยิทอาคมหรือในการแก้กันด้านนี้แกก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเว้นแต่แกจะไม่คุยเท่านั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนี่ลุงอินนะ่ะทําไม่แน่จริงแกก็ย่ำในแถบนรกดำมาไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตของแกหรอกพูดก็พูดเถอะรบพินเองแท้ๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ยังไม่อยากจะเข้ามายุ่งในถิ่นนี้แต่นานนี้น่ะเดินเหมือนในบ้านของแกเองมานานนม ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือถ้าลุงอินเป็นคนโลกเห็นแก่โภกทรัพย์ความร่ำรวยป่านนี้แกก็รวยเป็นนานแล้วละ่ะจากทรัพย์ในป่าที่แกพบแต่แกไม่เคยแตะต้องเลยคงใช้ชีวิตแบบพรานไทสัญจรไปเรื่อยๆสมถะอาศัยอยู่กินหลับนอนไปวันๆไม่เคยสะสมทรัพย์สมบัติอะไรไม่เคยมีลูกเมียหรือบ้าน นี่ก็แสดงว่าแกถือสัจจกอะไรของแกเหมือนกันคนประเภทนี้ทำอะไรได้เหนือกว่าปุถุชนธรรมดาครับคำพูดของอนุชาทำให้เชิดาและชยันรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างและเห็นจริงด้วยถูกแล้วถนันอินไม่เก่งในเชิงไพรและเวทมนต์คาถาจริงๆแล้วแต่ก็คงไม่อายุยืนมาจนพนวัยจนเรียกได้ว่าแกกลับมามีสภาพเหมือนคนหนุ่มได้อีกครั้ง พิสูดได้จากสายตาของแกที่กลับมองเห็นชัดตามเดิมและความคล่องแคล่วแข็งแรงในการเดินดงชนิดลูกหาบหนุ่มๆ ห, หรือเจ้าคนดงโดยธรรมชาติอย่างขยินก็ยังสู้ไม่ได้ยิ่งถ้าจะเปรียบเทียบกระบุญคำอันเป็นมือขวาของรพินซึ่งเชื่อได้วันแน่ห่างกันหลายขุมมตาคำนะโมใช่มากกว่าฝีมือจริงส่วนน้นนีน่าไม่เคยโอ้โอวดยกตัวเลย ประวัติชีวิตในการบุกภัยของแกเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรับรองได้อย่างดีย้อนมองหลังลึกลงไปในอดีตไม่ใช่นานอินคนนี้หรอกเหรอที่โอบอุ้มเอาชีวิตเด็กชายน้อยๆอันมาจากดินแดนลึกลับฝังศพของมารดาเด็กผู้นั้นด้วยมือเองกลางไพรเถื่อนแล้วต่อมาก็นําเด็กผู้นั้นไปมอบไว้ให้แก่พระธุดงในระดับอาราหารันจนกระทั่งในที่สุดเด็กคนนั้น ก็กลายมาเป็นแง่ายแล้วกลายมาเป็นจักรราษแห่งมรกรนครต่อไปทั้งเชษฐาและชัยยันตระหนักดีและกำลังคิดอยู่ในใจเพียงแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาเท่านั้นอเรากลับก็ไปดูน้อยกันเถอะรู้สึกตัวแล้วก็จริงแต่ไม่รู้จะมีอาการอื่นแทรกซ้อนอีกหรือเปล่าในที่สุดเชิฐาก็เอ่ยขึ้นชวนน้องชายและเพื่อนย้อนกลับเข้าไป ยังบริเวณที่พักนอนของคณะทุกคน138เมื่อเข้ามาถึงต่างเห็นครูพรานยังนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตานิ่งอยู่ทางด้านปลายเท้าของดารินตัวหล่อนเองก็คงพนมมืออยู่วางซวงอกและเมื่อทั้งสามมาถึงมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่นานอินลืมตาเปลี่ยนอิริยาบถเท่าๆกับที่ราชสกุลสาว ซึ่งเกือบจะเสียท่ายางบุดวิดภายในน้ำมือของจอมผีดิบมันไรลดมือที่พนม อ, อกออกดึงกายลุกขึ้นนั่งทุกคนสบายใจได้แล้วค่ะตอนนี้น้อยเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวน้อยระหว่างที่อาบน้ำอยู่ตรงแองนั่นร่อนเอ่ยขึ้นเรียบเรียเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยกับทุกคนยกมือเสยผม แน่ใจนะน้อยชยันจับไหล่ถามแน่ใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความประมาทไปชั่วนิดเดียวเท่านั้นน้อยถอดหลวงพ่ อ, อจากคอตอนอาบน้ำาตัวน้ำจะถูกเนื้อผงของหลวงพ่อทั้งสององค์เพราะกรอบไม่ได้อัดสนิทไว้ด้วยพลาสติกแบบกันน้ำตอนนั้นเลยถูกมันส่งกระแสจิตเข้าสะกดลืมตัวเหมือนหลับแล้วก็ไม่รู้ตัวในตอนนั้นว่าได้ทาอะไรลงไปบ้าง พี่กลางและทุกคนก็เร็วมากที่ช่วยเหลือได้ทันเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเดียวนะคะกล่าวจบหล่อนขยับผ้าเช็ดตัวที่รัดอยู่เนื้ออกให้แน่นขึ้นแล้วหันมาคว้าเสื้อกางเกงเดินป่าชุดใหม่ลุกขึ้นเดินไปบังอยู่หลังผ้าพลาสติกที่ขึงไว้แทนมา่านอีกใจใหญ่ต่อมาก็กลับเข้ามาในเสื้อชุดใหม่เรียบร้อยคาดเข็มขัดปืนสั้นแล้วก้มลงคว้าไราเฟิลของตนเองที่พักพวกคิ้วมาให้ด้วย ระหว่างที่หล่อนยังอยู่ในภาวะถูกมนสกดก้าวพรวดออกนอกบริเวณที่พักนอนทันทีพร้อมไฟฉายในมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอน้อยนั่นจะไปไหนกันอ่ะขอกลับไปดูที่เกติเเกิดเหตุตะกี้นี้อีกครั้งเถอะกับเฮยชายันและอนุชาร้องขึ้นพร้อมกันแล้วทุกคนก็ทะลึ่งพรวดขึ้นยืนอย่างฉับพลันหลายคนร้องห้ามแต่ดาริมก้าวชับชั บ, บออกไปแล้ว ยังไม่วาดวันต่อสิ่งใดทั้งสิ้นทำให้ทุกคนต้องตามกันออกไปเป็นพรวนอีกครั้งขยินเร่งให้พวกนั้นหุงข้าวสุกเร็วๆหิวเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะกลับมากินร่อนร้องสั่งไปทางเจ้าหัวหน้าบ้านลงช้างที่ทำหน้าที่เป็นนายกองสเสบียงอยู่ในขณะ น, นี้เป็นภาษากะเหรี่ยงซึ่งชัดเจนพอสมควรแล้วบ่ายหน้าเดินก้าวยาวๆมุ่งไปทางแอ่งน้าอันเป็นสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว ก่อนที่อนุชาจากระโดดเข้าคว้าตัวทันตามคำสั่งของเชษฐาที่ให้หยุดไว้ทุกคนและฝ่ายพี่และฝ่ายเพื่อนจึงต้องจ้ำตามกันมานานอินเคี้ยวมากยับยั บ, ยบเดินตามหลังมาด้วยอีกคนตีกตนขนาคู่ไปกับพรานชดแล้วกระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วนายชดตอนที่นานอินนั่งคุมอยู่ด้านปลายเท้าของนายหญิง มองเห็นมหาฤาษีกนธั ญ, ญะมานั่งประทับทรงอยู่เนื้อหัวของนายหญิงตอนนี้ไม่มีอะไรมาทำอันตรายนายหญิงได้แล้วพวกเราก็แค่ตามไปดูแล้วกันแต่ขัดใจตอนนี้ประเดี๋ยวแอบหนีไปตรวจ ด, ดูเองกลางดึกเราจะลำบากกันอีกดารินใช้ไฟฉายส่องนำทางก้าวจำไปอย่างชนิดไม่รอใครอาการของหล่อนดูจะติดข้องอยู่กับอะไรบางอย่าง และขุนเคืองจนปราศจากความพรั่นพรึงวันไหวใดๆทั้งสิ้นทุกคนที่ติดตามมาจึงได้แต่เร่งฝีเท้าไล่หลังเพราะหล่อนกึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านบริเวณที่ตนเองนั่งอาบน้ำอยู่ในแอ่งตื้นๆเมื่อครู่ใหญ่นี้กระโดดเหยียบไปตามแก่งแง่หินใช้ไฟฉายส่องกราดไปพลางทั้งชุดที่ตามมาจึงมาทันหลอนตรงตำแหน่งที่ราชสกุลสาว สองไฟค้นหาอะไรอยู่หลังหินใหญ่สองก้อนที่โผล่บังขึ้นมาเหมือนช่องทางปากประตูเข้าออกลอนจี้ลำไฟฉายตรงไปยังตำแหน่งที่อนุชาถูกกระแทกลงหงายลงไปก่อนแล้วฉายละไล่ไปในพงเฟินและวัชพืชอันขึ้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำชุ่มชื้นมีรอยเหยียบย่ำราบเป็นทางนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมคะ ที่พี่ใหญ่กระชยันยิงถูกกระดูกขาล้มเอาไว้นี่มันล้มอยู่ตรงนี้หล่อนร้องถามขึ้นทุกคนช่วยกันฉายไฟไปยังตำแหน่งนั้นและบริเวณใกล้เคียงส่วนชยันตอบโดยเร็วว่าเออใช่มันหายหลังขาพับอยู่ตรงนี้เลยเอ้าเอาเอา้าเ อ, าเ อ, าเอา๊ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วมี่รอยคลานลากตัวมุดเข้าไปในกอว้านกระดาษโ น, น่นนาย นั้นอินชีมือบอกดาลินขยับตัวจะสาวรอยทันทีแต่พี่ชายใหญ่จับแขนไว้อย่างมั่นคงสั่นศีสับไม่มีประโยชน์น้อยอย่าตามมันเข้าไปเลยตอนที่เรายิงล้มหนีไปไหนไม่ทันเพราะกระดูกขาบริเวณสะบ้าแหลกมันก็นอนทิ้งซากเป็นท่อนไม้ไว้ในขณะนั้นแต่พอเราพากันรับหลังกลับมาแล้วกระแสคลื่นดวงจิตของมันไรที่บงการอยู่เหมือนคลื่นวิทยุ ก็บังคับไปมันคานหนีไปจากที่นี่สะถ้าจะตามจริงๆก็คงทันแต่จะมีประโยชน์อะไรขึ้นมากับไอ้สิ่งไม่มีชีวิตชนิดนั้นน้อยเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ามันเหมือนหุ่นยนต์พอจวนตัวเขาจริงๆมันก็ทิ้งซ่ากลายเป็นท่อนไม้ไปอีกขนาดอีกตัวหนึ่งถูกพวกเราระดมยิงจนหัวกระจายหลุดจากบา่าแต่ขามันยังเดินได้มันก็ยังเพ่นหนีหายไปได้เลยหญิงสาวสะบัดมือ ดีดนิ้วออกมาโดยแรงยังขัดใจต่อเหตุการณ์เจ็บใจเหลือเกินมาแต่กี้นี้หล่นคำรามออกมาจะน้อยแน่ใจเหลือเกินนะคะว่าถ้าน้อยตามมันไม่ไปทันน้อยต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อมไม่ให้มันเอาซากนั้นไปใช้งานได้อีกเธอจะทํำยังไงน้อยเธอคิดว่าเธอมีอาคมขลังนักหรือไงชัยันถามนี่ชัยัน ฉันก็ไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรหรอกแต่ฉันคิดว่าฉันทำได้แต่จะทำได้จากอะไรก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกแน่ใจแต่เพียงว่าฉันทำได้แต่นันแหละลอนกล่าวอย่างมั่นใจเต็มที่แล้วออกเดินตรวจหาบริเวณหินทั้งสองก้อนต่อไปพอเจอเศษกระโหลกของไอ้อีกตัวหนึ่งที่แบะซี่กอ็อไปด้วยอำนาจของลูกปืนหล่นอยู่ในพงหญ้าใช้รองเทา้าขี่กลิ้งออกมา ทุกคนมองจับเป็นตาเดียวด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกได้ถูกดารินเกียรกระเด็นไปทางพี่ชายทั้งสองของและเพื่อนมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเศษวัสดุของซากมัมมี่ที่หาอายุไม่ได้เท่านั้นความรู้ในทางมนุษยวิทยาของฉันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันนานนมมาสักเท่าไหร่แล้วโลกที่เราอาศัยอยู่นี่ มนุษย์ได้มีวิวัฒนาการมาหลายรอบจนนับไม่ถ้วนจเจริญขึ้นจนถึงขีดสุดยับพินาศล่มจมสูญชาติพันธ์ต่อจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้กี่สมัยกี่ยุคหรือกี่รอบวัฏจักรนิทานาครอาจจะมีอายุอยู่เมื่อสมัยสีห้าร้อยล้านปีมาแล้วก็ได้มันอาจจะนานแสนนานสาหรับชีวิตเกิดตายของพวกเรา แต่ถ้าเทียบกับอายุของโลกมันก็คงไม่นานอะไรนะักกล่าวพึมพำเหมือนจะพูดกับตัวเองแล้วหล่อนก็เดินไปยังตำแหน่งที่ตนเองเคยยืนอยู่บนเนินหินเผชิญหน้ามันไกรถามพี่ชายกลางโดยไม่หันกลับมามองว่าทำไมไม่มีใครยิงไอตัวการสำคัญในขณะนั้นให้ร่างกายมันฉีกพี่นาดย่อยยับลงซะฉันหมายถึงไอตัวที่มันไรเข้าสิง ใช้งานอยู่เป็นประจำแทนซากนักบวชล้วนเดิมของมันที่ถูกทำลายไปแล้วอ่ะน้อยขณะที่พี่กับพวกเราตามมาเพราะเสียงร้องของกลางทางฝ่ายพวกพี่มองไม่เห็นเธอหรือมันไตรหรอกแต่กลางบอกว่าขณะที่เขาเห็นและกำลังจะยิงอยู่นะเธอเดินขึ้นเนินหินก้อนเนี้ยแผ่นหลังเธอน่ะบังมันไว้พอดีทำให้เขายิงไม่ได้กระทำได้อย่างเดียวคือวิ่งตามมาแต่ก็ถูกสกัดจากบริวารสองตัวของมันลม้มลงซะก่อน ผู้ตอบคำถามของหล่อนคือเชษฐาขณะนั้นน้อยไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคะ่ะพี่ใหญ่มันก็เหมือนคนที่หลับไปด้วยยาสลบแหละดาริงกล่าวเหมือนบน่นต้าวสูงขึ้นไปอีกฉายไฟไปรอบ ด, ด้านยังเห็นร่องรอยการเดินอย่างรีบร้อนแหวกพงวัชพืชผละหนีไปอย่างกระทันหันอีกสี่คนอันประกอบด้วยเชิฐาอนุชาชายันและหนานอิน ตามขึ้นมาด้วยอากาศกำลังหนาวเย็นขึ้นทุกขณะมีละอองจากน้ำตกที่อยู่ห่างออกไปปลิวมากระทบผิวกายจนชื้นไปหมดหล่อนอยากจะตะโกนเรียกน้ำของมันไรออกไปเพื่อเชิญชวนหลอกล่อให้มันโผล่ออกมาแต่เกรงว่าทุกคนจะหาวหล่อนเป็นบ้าเสียสติไปจึงระงับไว้ซะสัญชาตยานบอกกับตนเองว่า มันไม่น่าจะอยู่ห่างไกลาจากหล่อนในขณะนี้เท่าใดนักและคงจะแอบเฝ้ามองอยู่อย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่กล้าโผล่มาให้เห็นเท่านั้นและเชื่อมั่นว่าถ้าล่อนย้อนกลับมาที่นี่เพียงคนเดียวไอ้จอมผีร้ายนั่นจะต้องปรากฏกายให้หล่อนเห็นแน่ๆอันหมายถึงว่ามันจะต้องเข้าทางของหล่อนอย่างไม่มีปัญหาแต่ในยามที่พักพวกมากันพร้อมหน้าและอยู่ด้วยในขณะนี้ หล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรตามที่กำหนดไว้ในใจอย่างเด็ดขาดเพราะทุกคนจะไม่มีวันเข้าใจและคงจะไม่ยอมให้หล่อนเสี่ยงเหมือนอย่างที่หล่อนต้องการจะเสี่ยงอะกลับเธอน้อยอนุชากล่าวเสียงต่ำๆทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หล่อนบอกกับทุกคนเรียบๆ เ, เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทุกคนที่น้อยไว้คนเดียวที่นี่ได้ไหมคะ โปรดกลับไปรอที่พักก่อนขอเวลาสักสิบนาทีเท่านั้นแหละค่ะบ้าแล้วน้อยเสียงชัยยันอุทานออกมานี่ไม่ว่าน้อยจะมีแผนการอะไรอยู่ในใจอะนะแต่พี่ขอบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ห้ามขาดขอให้กลับไปที่พักเราเดี๋ยวนี้นี่เป็นคาสั่งนะน้อยเชษฐาออกคำสั่งมาเสียงเฉียบขาด แลวไม่เพียงแต่ผู้เท่านั้นอดีต ท, ท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่กระชากไหลน้องสาวกึ่งบังคับดึงให้ถอยหลังมาจากแท่นหินเอ็นลาดนั้นดารินถอนใจเขื่อจำต้องถอยตามลงมาอย่างไม่อาจขัดขืนได้ระหว่างที่ทุกคนเดินกลับดารินครุ่นคิดอะไรอยู่คนเดียวมาตลอดทางพอผ่านพ้นแอ่งน้ำหย่านก็เปรยอถามขึ้นมาว่า ใครคิดบ้างไหมว่าขณะนี้เจ้าด้วนของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยทุกคนดูเหมือนจะลืมซะอย่างสนิทและเพิ่งจะมานึกถึงช้างแสนรู้ตัวนั้นขึ้นมาได้เมื่อน้องสาวคนเล็กของคณะเอ่ยขึ้นเออจริงด้วยสิไอ้ด้วนหายหัวไปไหนวะชยันอุทานออกมานายหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรถึงมันในขณะนี้ก่อนเลยนันอินบอกมาเบา เรามาจนถึงแหล่งน้ําแล้วมันก็จะเวนหากินของมันไปตามเรื่องตอนดึกหรือหัวรุ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะกลับไม้เห็นอีกครั้งนึงถึงมันจะเชื่องสําหรับนายหญิงขนาดไหนมันก็สันดาลช้างป่านั่นแหละท่องเที่ยวหาอาหารกินของมันไปตามเรื่องไม่ได้อยู่ใกล้ๆบริเวณ น, นี้หรอกถ้ามันอยู่ใกล้มันก็ต้องเตือนภัยพวกเรารู้บ้างแล้ว แล้วไอ้มันไรก็คงไม่ย่องมาใกล้นายหญิงได้หรอกลุงคิดว่ามันจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมขณะนี้ชัยยันเริ่มสงสัยพระครูสันศรีศักถ้าพระของนายหญิงยังไม่หลุดจากคอมันไม่ว่าไอ้พวกผีดิบหรือช้างผีสิงตัวไหนทําอะไรมันไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงจ้าให้มันเหมือนช้างเลี้ยงคอยอยู่ใกล้ชิดพวกเราตลอดว่าตลอดเวลานะ่ะมันไม่ได้ เพราะมันเป็นช้างป่าไอ้ลำพังตัวมันน่ะมันปลอดภัยแน่ระวังตัวพวกเราไว้ดีทุกคนก็แล้วกันแล้วถ้ามันหวนกลับมาเห็นอีกน้อยก็น่าจะเขกกระโหลกหรือไม่กระต่มันสักปากหน่ฐานที่มันดันเสือกเที่ยวไปสักไกลจนเธอเน่ะเกือบเสียท่านี่ดีว่ากลางหันกลับไปเห็นทันนะไม่งั้นยังไม่รู้เลยว่าเธอจะไปยังไงตอนที่มันสะกดให้เดินตามต้อยต่อยไ พี่ชายพูดบนหัวเราะแปล ง, ปลงฉันไม่โทษจะด่วนหรอกมันเป็นความผิดความชลาใจเผลอเรอของฉันเองที่ถอดพระเครื่องรางคุ้มตัวออกตอนที่ลงอาบน้ำก็เห็นเห็นอยู่ว่าพี่กลางนั่งเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ไม่นึกนี่ว่าเผลอชั่วขนาดจิตเท่านั้นมันจะเข้าครอบงำฉันได้แต่ต่อไปนี้ยังไม่มีทางละขอให้ทุกคนเชื่อเธอแม้พี่กลางจะไม่เข้าขัดขวางไว้ก่อน จนพวกเราทั้งหมดแล่นตรงกันเข้ามาที่นี่มันก็ไม่ทําร้ายอะไรฉันหรอกอย่างมากก็เอาฉันไปสู่นิทรานครครั้งก่อนมันก็เคยเอาฉันไปทีเนื้อทุกคนหันมองหน้าหล่อนอย่างประหลาดใจนี่น้อยเธอคิดว่ามันประสงค์ดีต่อเธออย่างงั้นเหรออนุชาถามเสียงเครียดน้องสาวไม่ตอบนอกจากรีดวงตาลงด้วยความคิดอันซ่อนเร้นอยู่ภายใน โดยไม่มีใครเข้าใจฉสียงอดีตพรารชดบอกต่อมาว่าเธอนี่ะอาจจะต้องกลายเป็นผีดิบอย่างมันอีกตัวหนึ่งก่อนที่พวกเราจะตามไปทันนะก็คงจะดีเหมือนกันนะถ้าน้อยจะมีสภาพเป็นผีดิบไปอย่างมันได้เพราะบางทีจะช่วยน้อยตามระพินได้พบเร็วขึ้นอีกเสียงน้องสาวพึมพำออกมาเบาๆไม่มีใครสนใจกับถ้อยคําของหล่อน ระหว่างนั่งรับประทานอาหารเมื่อกลับมาถึงแคมป์ที่พักเทถาและชยันเท่านั้นที่ปรึกษาหารือสนทนากันอยู่บุคคลที่อยู่ในสภาพใช้ความคิดเยียบขืนมีอยู่สองคนคือดารินกับอนุชาสองพี่น้องคิดกันไปคนละอย่างแต่ก็ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันน้องสาวเล็กกําลังคิดวาดแผนอะไรอยู่ในใจ ซึ่งไม่อาจอธิบายหรือเปิดเผยให้ใครทราบได้ส่วนอนุชาในฐานะหัวหน้าทีมหรือมัคุเทศนำทางก็กำลังค้นหาวิธีที่จะจัดการกับอิทธิฤทธิ์ของจอมผีดิบมันตรซึ่งมายกหยกนีมันเกือบจะเอาชีวิตของเขาซะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเชฐาชายันและพักพวกตามมาทันแล้วช่วยกันยิงสกัดกั้นมาเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรก ที่ตัวเขาเผชิญหน้ากับไอ้พวกผีดิบเหล่านั้นในระยะประชิด ต, ตัวนอกเหนือไปจากการประจันบาลกับขลุงช้างภายใต้อำนาจบงการของมันเพราะช้างป่านั้นถึงแม้จะถูกอำนาจของมันควบคุมบังคับเช่นไรก็ยังเป็นสัตว์มีชีวิตร่างกายเยี่ยงสัตว์โลกธรรมดาและพอจะปราบได้จากลูกปืนแต่ไอ้เราอมนุษย์สมุนบริวารของมันเหล่านั้นสิ เป็นสิ่งที่เขาจะต้องคิดหนักมันสามารถจะทำร้ายได้ทุกชนิดแม้แต่จะเข้ามาทำร้ายจนถึงตัวซ้ายังปราบมันด้วยลูก ป, ปืนไม่อยู่หมัดเฉียบขาดข่ามันก็ไม่ตายเพราะมันไร้ชีวิตไร้เลือดเนื้อมีแต่พลังงานโดยอาศัยซ่าเก่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยอำนาจเวทมนต์เยี่ยมหุ่นยนต์เขาเห็นกตา ขนาดถูกกระสุนของฝ่ายตนที่ระดมยิงมาหลายนัดจนศีรษะกุดหายไปมันก็ยังเดินหนีไปได้และแม้ตัวที่ถูกยิงทําลายกระดูกขาแหลกล้กลมลงเพราะรับตาเท่านั้นมันก็คลานลากตัวเองพาซากหนีไปได้อย่างน่ากลัวที่สุดลงอยู่ในลักษณะนี้แล้วเขาจะจัดการกับพวกมันได้ยังไง การจะใช้ลูกปืนหรือเครื่องยิงระเบิดทําลายซากของมันตละตัวให้ย่อยยับไปทีละตัวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะกระทำได้เพราะจำนวนของพวกมันไม่ใช่มีอยู่แค่เพียงตัวสองตัวลำคอบริเวณกระเดือกของเขาคงหักแหลกแน่ถ้าอุ้งต้นของมันเหยียบลงดังเหตุการณ์ที่เกิดขึนทำไมได้ลูกปืนนับสิบระดมเข้าปะทะผลักออกไปซะก่อน สัตว์มีชีวิตทุกชนิดถ้ายิงถูกที่สำคัญเพียงนัดเดียวก็สังหารได้แล้วแต่สภาพที่เขาเหินมันหมายถึงว่าจะต้องทำลายส่วนในซ่าของบริเวณที่จะใช้พลังเข้ามาทำ้ายให้ย่อยยับไปสะก่อนจึงจะสะกัดกั้นได้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าหนักใจมากในโอกาสแห่งการประจนประจันกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่ใครก็ใครสักคน คงเสียทีมันเข้าเป็นแน่และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับมีอำนาจชนิดนี้มาก่อนรวมทั้งไม่รู้วิธีในการแก้ไขที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างก็คือน้องสาวของเขาดูหล่อนจะอยู่ในสภาพที่รองดีและท้าทายกับไอ้ผีร้ายพวกนี้เหลือประมาณ หล่อนไม่มีอาการหวั่นไหวท่านพึงต่อพวกมันเลยแทนที่จะหลีกลบพละหนีหล่อนกลับจะเป็นฝ่ายมุ่งมัน่นเข้าหามันอันทำให้ต้องระวังมากขึ้นอีกนี่คือข้อหน้าวิต ก, กังวลยิ่งไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยว่านอกจากเล่กลนเพทุบายสารพัดที่มันตราเตรียมไว้เล่นงานพวกเขาแล้วสมุนบริวารของมันก็คงจะแยกย้าย กระจัดกระจายดักซุ่มอยู่ทั่วไปในทิศทางที่จะบ่ายหน้าไปเพราะโอกาสที่จะโผล่เข้ามาลอบโจมตีในรูปแบบต่างๆมันเปรียบไม่ผิดอะไรกับการทำสงครามกับกองทัพที่ไม่รู้จักกับคำว่าตายการที่ดารินนิ่งเงียบไปนั้นไม่มีใครสงสัยแต่เมื่อพรานชดเงียบซึมไปเช่นนี้ พี่ชายใหญ่กับเพื่อนเริ่มสังเกตทันทีนนมีกลางดูแกมีกังวลหนักใจมากนะเนี่ยชยันสกิจถามระหว่างที่อนุชาก้มหน้านิ่งอยู่กระถ้วยกาแฟอยอมรับในข้อนี้ว่อดีตนักเดินดงผู้ยิ่งใหญ่สารภาพน้ำเสียงของเขาจริงจังเป็นงานเป็นการฉันบุกไครกระนาำอินคราวก่อนเนี่ย ไม่เคยพบสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วลูกปืนของฉันมันปราบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะนำอันตรายมาสู่ได้ใช้ความรวดเร็วความแม่นยำแล้วก็เลือกจุดหมายสำคัญในการยิงภัยจากธรรมชาตินะเราก็เลี่ยงได้โดยการอ่านรหัสรู้ล่วงหน้าหาที่ป้องกันหลีกหลบภัยจากความอาถรรพ์ตามเกณฑ์ของป่าใหญ่เราก็ใช้วิธีบวงสวงขอขมาลาโทษและขอเปิดทาง แไอ้ภัยจากเวทมนตรีที่มันคอยมุ่งร้ายหมายขวัญเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าฉันแก้ไม่ตกไอ้อมนุษย์พวกนี้มันไม่มีจุดตายเพราะมันได้ตายไปก่อนนานแล้วและไม่รู้จักความตายจริงอยู่เหตุการณ์ตะกี้พอจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราใช้กระสุนขนาดหนักหลายๆนัดทําให้กระดูกแขนขาของมันแหลกไป จะทำให้มันเชื่องช้าลงและไร้สมรรถภาพที่จะเข้ามาทำอันตรายเราได้แต่คิดดูดิเราจะมีโอกาสยิงมันได้หลายๆายนัดทุกครั้งไปเฉเดท่าและชยันอึ้งไปครูแล้วแกคิดว่ากระพินล่วงหน้ามาก่อนแล้วด้วยวิธีการยังไงเพื่อนตายของเขาถามในเชิงขอความเห็น ไอเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะระพินมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวของเขาซึ่งฉันไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราพบกันแล้วนี่ว่าลูกหาบของเขาสองคนก็ถูกไอผีดิบพวกนี้หักคอท้งซะสองคนจนถึงก็ต้องเอากะเรียงอูถากระพ้าโต้มาใช้งานทดแทนพวกเราที่มากันนี่ทั้งสิบหกคน ยังไ ม, ม่ใครเพียงพร้ำถึงกับชีวิตเลยแต่รพินก็มีตายไปสองคนแล้วจากฤทธิ์ร้ายของมันไรเชีดถาถอนใจยาวแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆระมัดระวังว่าไอจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วนะพี่และชยันก็พอจะรู้นะว่าเรามีวิธีแก้อาถันจันไรของมันไตรยังไงหยุดเว้นระยะนิดหนึ่ง ชำเลืองไปที่น้องสาวผู้นั่งมือมองดูกองไฟอยู่น้อยเองก็รู้ดีแต่มันเป็นสิ่งที่กระดากปากมากที่พี่จะพูดออกมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หมายความว่าเราจะพิชิตมันได้อย่างเฉียบขาดแต่เท่าที่เราเคยใช่เพียงแค่ใช้ท่อนไม้กระทุ้งตัวพวกของมันเท่านั้นก็ง่ายพลึงไม่กระดิกกระเดียแล้วเวทมนต์ของมันไรก็ไม่อาจจะหวนกลับ มาสิงสู่ในซากนั้นได้อีกเลยมันเป็นวิธีการของบุญคำที่พี่เคยรู้เคยเห็นน่ะดารินหน่าแดงเล็กน้อยขยับตัวอย่างอึดอัดแล้วก็เอ่ยออกมาว่าพี่ใหญ่หมายถึงเมส์หรือเลือดประจำเดือนจากผู้หญิงที่จะนำมาเช็ดป้ายเข้ากับสิ่งที่เราใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายไม้ดาบหรือแม้แต่ลูกปืน หลอนอธิบายให้พี่ชายกลางฟังอย่างพยายามข่มความกระดากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะในข้อที่ว่าขณะ น, นี้ตัวน้อยที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะยังไม่ถึงกำหนดรอบเดือนเนื่องจากสภาพจิตใจอันไม่ปกติเต็มไปด้วยวิตกกังวลเครียดหนักอยู่ในขณะ น, นี้มันก็คงจะหยุดชะงักคลากเคลื่อนไปกว่ากาหนดเวลาปกติของมันจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบ แต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะอนุชาเอื้อมมือมาลูบหลังน้องสาวเรื่องนี้ลุงอินก็เคยมากระซิบบอกพี่อยู่เหมือนกันนะแต่พี่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะพูด ก, กันน้อยได้แล้วก็อยากจะหาวิธีอื่นซะมากกว่าพี่เองยังไม่อยากจะให้น้องสาวของพี่เป็นส่วนหนึ่งของเดรัชานวิชาที่จะนำมาแก้ลํำกับไอ้มันไรและบริวารของมัน มันคล้ายๆกับว่าพวกเราน่ะสิ้นคิดกันแล้วและน้อยก็คงรู้สึกประดักประเดิดมากพี่เ้าใจดีเดี๋ยวๆขอให้พี่ลองปรึกษาลุงอินดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราจะมีวิธีอื่นใดอีกบ้างนอกเหนือไปจากสิ่งอั น, นาเกลียดนั่นถึงยังไงเซยลุงอินก็มือคนละชั้นกับตาบุญคำอยู่แล้วอะกล่าวจบอนุชาิพันชดก็ขยับตัวลุกขึ้น เดินไปสกิดไหลครูพรานซึ่งกําลังนั่งคุยอยู่กับพวกลูกหาบและขยินเอาตัวแกปลีกห่างออกไปจากมุมหนึ่งนั่งซุบซิบซุบซิบพูดอะไรกับแกอยู่พักใหญ่แล้วทั้งคู่ก็พากันเดินเข้ามายัางเชีฐาชายันและดารินซึ่งกําลังนั่งรอคอยอยู่ <S <S นั้นซุบตัวลงนั่งอย่างยเขาหน้าของแกลปเรียบสนิท ไม่สอแวลอะไรทั้งสิ้นในขณะ น, นี้เอ่ยขึ้นกับทุกคนอย่างรับรู้อะไรมาล่วงหน้าแล้วดีรชานวิชานั้นทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในทางก่อกวนราวีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นคงไม่คงทนถาวรและยามใดที่ผู้ใช้อยู่ในความประมาเทเผอตัวมันก็กลับเข้าหาตัวเอง กิตยามนสยเวทอาคมและคุณใสที่วิญญาณร้ายของมันไรกำลังเล่นงานพวกเราอยู่ในขณะ น, นี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะแรงฤทธิ์มีฤทธิ์ที่อำนาจสักเพียงไหนมันก็พินเป็นเพียงแค่อาคมของพ่อหมดผู้จมอยู่ในปลักบาปเท่านั้นนั้นอินจะต่อต้านกับมันเดิะเวทมนคาถาอันเป็นอปริวิชาชนิดนี้ ก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็จะผิดสัจจะที่นานอินถวายไว้ให้แล้วแกอาราหันเจ้าผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งหลายแม้แต่นายราพินแกก็ยังไม่ยอมใช้เวทมนกาลีเหล่านี้ทั้งที่แกก็เรียนรู้มากกว่าไอ้คำซะอีกเพราะจะหาความเจริญเป็นราศีแกตนนําไม่ได้มีก็แต่ความอับประมงคลเศร้าหมอง ลุงเริ่มต้นดีเหมือนพระคงแต่เรียนเทศนานะแต่ลุงยังไม่ได้บอกนี่ว่าลุงจะทำยังไงเมื่อแกหยุดเว้นระยะและนิ่งไปชัยันก็เตือนขึ้นนายทหารมงคลวิชาอันมีคุณพระรัตนไตรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้นที่จะให้คุณแก่ผู้ใช้แล้วทรงอำนาจบารมีอยู่ถาวร จะแก้ไขและดับพิษขุนสเยเวีมนกาลีทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเหนือไปกว่าพระพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพตลอดทั้งสามโลกนี้ทั้งสวรรค์สุดชั้นพรหมแผ่นดินอันเป็นภพของสัตว์โลกและนรกบาดาลทุกขุมผู้ที่จะเข้าได้ถึงก็จะต้องมีศีลและสั์ เป็นพื้นฐานมีสมาธิจิตอันแน่วแน่มั่นคงอันจะก่อให้เกิดเป็นตบะชานบารมีขึ้นนานอินนั้นยังไม่มีชาญบารมีพอที่จะอัญเชิญมงคลวิชาจากอารหันตเจ้ามาคุ้มครองปกป้องหมู่พวกเราได้ทั่วถึงเก่งที่สุดของนานอินก็เพียงแค่เอาตัวเองให้รอดไปได้ตามลำพังเท่านั้น รานชดได้มาหารือนานอินถึงเรื่องที่เกิดกับพวกเรามันเป็นภัยใหญ่หลวงแท้จริงแต่นานอินก็จนปัญญาที่ตัวเองยังไม่มีบารมีพอจึงนั่งทางในดูก็เห็นอยู่ว่าในบรรดาพวกเจ้านายทุกคนที่พอจะอัญเชิญอ น, นุภาพของพระรัตนตรยัยมาเป็นเครื่องคุ้มครองหมู่คณะได้คนแรกนั้น และเห็นผาดผาดว่าจะทำได้แน่ก็คือนายหญิงเพราะแม่นยำยึดมั่นอยู่ในพระมาหาคาถาอันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังมีโทษสจริตและความวิตกกังวลมาเป็นนิวรขวางกั้นไว้นายหญิงก็อาจจะเหมือนหนานอินที่แค่เพียงเอาตัวรอดเท่านั้นถ้าถึงคราวจำเป็นแต่ยังแผ่บารมีไปปกป้องผู้อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็เหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นสิ้นคากล่าวนั้นนานอินก็ยกมือชี้มายังเชษถาวราริษนายใหญ่คนนี้แหละเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนันอินนั่งมองอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเงาของอราหันต์หลายพระองค์สเสด็จลงมาประทับเหนือศีสะ ของนายใหญ่เชิฐานขมวดคิ้วนิดนึงอึ้งไปนานแล้วชี้ที่อกตัวเองฉันเหรอฉันเหรอนันอินใช่แล้วนายใหญ่เองนั่นแหละบัดนี้อนุชาชัยยันและดาลินมองจับไปยังพี่ชายใหญ่ของคณะเป็นตาเดียวอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะ ผู้พร้อมไปด้วยคุณธรรมสูงส่งอึ้งไปอีกครั้งสิลที่พูดมาของนานอินหนักแน่นมั่นคงยิ่งนักและกล่าวช้าๆต่อมานายใหญ่สำรวมจิตตั้งสมาธิเข้าฌานได้แล้วเพื่อทำน้ำมนนานอินจะจัดสิ่งของมาให้เดี๋ยวนี้แล้วจะแนะนำให้ว่านายใหญ่จะต้องทำยังไงบ้าง ราจบแกก็ขยับตัวเทถาก็ทวงมาทันทีนี่ลุงแต่ฉันไม่เคยทำน้ำมนต์มาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงมั่งไม่เป็นไรประเดี๋ยนายใหญ่ก็จะรู้เองว่าจะต้องทำยังไงบ้างมหาฤาษีโกนทั ญ, ญะอยู่เบื้องหลังของนายใหญ่แล้วท่านจะเข้าประทับทรงทันทีที่นายใหญ่สํารวมจิตเข้าสมาธิ แล้วทุกคนจะเห็นกับตาว่าน้ำที่น้นอินใส่ขันนำมาตั้งไว้ข้างหน้านายใหญ่จะสำแดงอะไรขึ้นมาให้เห็นถ่าน้ำในขันเดือดพล่านเหมือนน้ำถูกไฟลนอยู่ข้างใต้เมื่อไรนั่นก็แปลว่านายใหญ่ทำได้สำเร็จแล้วปืนทุกระบอกของพวกเราจะถูกประพรมด้วยน้ำ ม, มนิ แล้วกระสุนที่ยิงออกไปจากปืนที่พรมน้ามนแล้วผ่านกระทบซาก ข, ของไอ้ผีดิบตนใดแม้เพียงแค่ส ก, กิมมันจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกเลยไม่จำเป็นจะต้องยิงให้ซาก ข, ของมันเละแหลกเลวหมดเรือลูกปืนเหมือนอย่างที่เรายิงเมื่อตะกี้นี้หรอกระหว่างที่เชิดขาอยู่ในภาวะลังเลไม่แน่ใจ ดารินก็บอกมาอย่างเร่งด่วนว่าใช่ค่ะพี่ใหญ่ลุงอินพูดถูกแล้วละ่ะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพี่ใหญ่อีกแล้วในบรรดาพวกเราทุกคนพี่ใหญ่ต้องลงมือเดี๋ยวนี้แหละค่ะอย่าช้าเลยอ่ะลุงอินไปจัดการหาสิ่งของมาเร็วๆค่ะอนุชาและช ย, ยันก็สนับสนุนมาเป็นเสียงเดียวกันเชตถาเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงแล้วตัดสินใจพยักหน้าลง ตกลงแม่จะไม่เคยร่ำเรียนทางวิทยาอาคมใดๆมาก่อนเลยแต่เชษฐาก็ยึดมั่นในธรรมะอย่างเคร่งครัดมาตลอดเท่าที่ศัตบุรุษผู้ครองเรือนจะพึงปฏิบัติได้ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมและสัจจ์พอจะเข้าใจในพิธีกรรมชนิดนี้มาบ้างถึงจะไม่เคยปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองมาก่อนก็ตามอดีตท่านทูตทหารบก พัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีมาเป็นชุดขาวห่มขาวขังนั้นอินก็ไปนำเอาขันน้ำพลาสติกบรรจุน้ำสะอาดมาขันหนึ่งปูผ้าลงกัะพื้นทูปสามดอกแรกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าชั้นอาราหารันถูกจุดขึ้นด้วยมือของเขาเองแล้วนำไปปักไว้บนที่สูงอีกสิบหกดอกอันหมายถึงโสลดถูกจุดขึ้นอีกครั้ง เทียนขี้พึ่งธรรมดาหนึ่งดอกแล้วเทียนใช้ที่นานอินมีไว้ในย่ามส่วนตัวแกมีรอยเคยจึดใช้แล้วอีกหนึ่งดอกปักลงตรงแง่หินสูงเหมือนขันน้ำสายสินวงล้อมเป็นอาณาบริเวณเฉพาะบริเวณที่เขาถูกกำหนดให้เข้าไปนั่งสมาธิโดยหันหน้าไปทางเหนือเฉียงตะวันตกเล็กน้อยซึ่งนานอินบอกว่าตาแหน่งนั้น เป็นตำแหน่งภูเขานิลาการที่สถิตของมหาฤาษีโกนธั ญ, ญะบุคคลที่จะนั่งกำกับอยู่เบื้องหน้าของเขาคือครูพานนันอินนั่นเองส่วนที่อนุญาตให้นั่งกำกับหลังคือดารินเชษถาเป็นผู้กระซิบบอกมาเองก่อนเริ่มพิธีโดยสั่งว่าระหว่างที่พี่นั่งบริกรรมสำรวมจิตอยู่ น้อยเข้าสมาธิด้วยคนด้านหลังพี่นะสวดพระคาถาชินบัญชรไปในใจจนครบสิบหกคาบอย่าวกแวกเป็นนันขาดแล้วก็ส่งพลังจิตเข้ามาที่พี่ด้วยดารินปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอนุชาชายันนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆได้รับคำสั่งไม่ให้พูดหรือส่งเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นและพวกลูกหาบทุกคนรวมทั้งขญิง พอมองเห็นพิธีกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็พากันเข้ามานั่งล้อมรอบอยู่เป็นวงกลมทุกคนเงียบกริบดูเหมือนจะเข้าใจอะไรอยู่บ้างแม้จะยังไม่กระจ่างนักเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนันอินก็เริ่มสวดขอพรจากเทพผู้พิทักษ์ป่าเขาลำนาไพรขึ้นก่อนเป็นภาษาที่ทุกคนฟังไม่เข้าใจ ต่อมาก็สวดชุมนุมเทวดาแบบย่นย่อแล้วเริ่มชยันโตพอครบหนึ่งจบแกก็หยุดนิ่งพนมมือเงียบสงบอยู่เช่นนั้นเทฐาวราริศไม่ได้หลับตาแต่เพ่งมองไปที่เทียนชัยสำรวมจิตแน่วแน่ขออำนาจบารมีจากพุทธานุภาพตลอดจนอรหันตเจ้าทุกพระองค์ ภายในบริเวณเงียบกริบได้ยินแต่เสียงปะทุแตกเปรีย้ยเปรี้ยของเทียนัยและควันธูปที่ลอยตัวขึ้นอย่างเช่มช้าขณะนั้นลมสงัดอย่างประหลาดไม่ได้พัดเลยแล้วเปลวไฟจากปลายเทียนไชเป็นรูปกลวยนิ่งมิได้ไหวแม้แต่น้อยราวกับเทียนไฟฟ้าฉะนั้น ในสมองส่วนลึกของเขาหรือมิฉนั้นก็ดวงจิตแววเสียงสวดภาวนาของดารินอย่างชัดเจนแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้เปล่งออกมาเป็นวาจาเลยและเขาก็ภาวนาตามอัธคาฐานั้นเหมือนหล่อนจะเป็นผู้บอกอยู่เบื้องหลังชยาสนากตาพุทธา เทตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรสันเยปิวิงสุนาราสภาข้าขอเชิญสดิจพระสันพิพุทธองค์ นาราสภาทร ง, ง, ง, ง, งพิชิตมานและเสนาน้ำต า, ำตาจากเทียนชัยหยดลงไปสู่ขันน้ำนั้นช้าช้าทีละหยดทีละหยดลมยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างถูกสะกดตรึงให้สงบอยู่กับที่ แม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกเสียงน้ำตกใหญ่ที่ไหลสู้ซาเป็นช่อชั้นลงมาอันไม่ห่างลงไปนักบัดนี้ดูจะพลอยเงียบหายไปด้วยจากโส ด, สดับของทุกคนพอครบสิบหกข้าจากสายตาไม่กระพริบเลยของเชษฐาอันจ้องที่เปลวเทียนชัยนั้น เลวเทียนค่อยๆรีลงตามลำดับทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นแท่งยาวใหญ่จนกระทั่งรีดับวัดไปเองด้วยการเพ่งของเขาและน้ำตาเทียนหยดลงมาในขันน้ำมนุลครบสิบหกหยดพอดีณดบัดนี้น้ำในขันก็แตกเป็นพรายเดือดอยู่พลุ่งพล่านราวกับถูกไฟลนอยู่เบื้องล่าง เพนที่ประจักษ์ชัดกับทุกสายตาอันจ้องมาอย่างตื่นตะลึงอนุชาและชยันเพ่นขึ้นยืนพร้อมกันส่วนพวกลูกหาบส่งเสียงครางฮือน้ำมันยังเดือดพลัง่งพลั่งอยู่เช่นนั้นเชิฐาละจากสมาธิก้มลงกราบสามครั้งแล้วค่อยๆทดลองแย่นิ้วลงไปที่น้ำอันกำลังเดือดอยู่นั้น ปรากฏว่ามันเย็นเฉียบราวกับน้ําที่แช่ในตู้เย็นตรงข้ามกับอาการที่แตกพลั้งเป็นพรายอยู่คลักคลักทุกคนเอาปืนและกระสุนมาเร็วทีละสองสามกระบอกก็ได้ไม่ต้องมากทยอยเข้ามาเป็นชุดๆนานอินร้องประกาศขึ้นเร็วปรือชุดแรกเป็นไรเฟิลของคณะนายจ้างทุกคนที่เข้ามาเรียงรายไว้พร้อมกับกล่องกระสุน เท่าที่คิดว่าจำเป็นจะต้องใช้งานเฉถายกขันน้ำนั้นขึ้นจบเหนือสีสษะและใช้มือขวาวักขึ้นปรักพรมลงไปยังปืนเหล่านั้นถัดไปจึงเป็นปืนของหนานอินขยินและพวกลูกหาบทุกกระบอกตามลำดับชายันสั่งให้นำเอาเอา M16 แบบคอมมานโดที่มีติดมาด้วยเครื่องยิงระเบิด M79 และแม้แต่ปืนพกสั้นประจาตัว ตลอดจนมีดและคานหาบสัมภาระทุกอันเข้ามาให้เชษฐาประพรมจนหมดสิน้นทุกคนขนลุกอยู่สู้สู้ด้วยความปลาบปลื้มปีติใจห้ามประมาทห้ามตะโกนร้องด่าท้าทายและจะใช้ก็ต่อเมื่อถึงยามจำเป็นเท่านั้นนะเชฐฐาประกาศอย่างสงบกับทุกคน แล้วเขาก็เรียกทั้งหมดให้เขามานั่งรับการพรมน้ำมนตทุกคนที่เหลือส่งไปให้เวียนกันดื่มจนหมดจากนั้นตนเองก็ถอดได้สายสินที่นันอินวงล้อมไว้ด้วยมือตอนเองเข้าไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดเดิมแล้วเดินกลับออกมากอดนันอินและดารินไว้คนละข้างจากนั้นก็เข้าไปกอดอนุชาและชยัน ต่อไปนี้เราจะไม่หวั่นไหวต่อมันไรและบริวารของมันอีกแล้วละ่ะนี่เราเห็นสิ่งอันแสดงคุณวิเศษทางพุท ธ, ธานุภาพนี่แล้วเชถาแต่ทำยังไงเราถึงจะทดสอบได้ล่ะเนี่ยชยันกล่าวขึ้นอย่างกระตือรือรน้นก็เห็นกันชัดๆคาตาขนาดเปลวเทียนรีดับลงเองเมื่อครบสิบหกหยุดและน้ำก็เดือดพล่านอย่างเงี้ยนี่เธอยังไม่เชื่ออีกเหรอชยยัน ดารินถามไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ก็ยังอยากจะลองดูถ้าพอมีทางจะลองได้ก็มันน่าจะลองนะก่อนใช้งานจริงเพื่อนชายบอกมาอย่างจากความรู้สึกแท้จริงของเขาก็ไม่ยากอะไรนี่ในเรื่องนี้ลุงอินมีไสยศาสตร์ชั้นต่ำจะเรียกว่าเดรัชานวิชาก็ได้ในการที่จะทำมาหาอุด ไม่ให้ปืนหรือของมีคมทําอันตรายได้ฉันจะให้แกเสกก้อนหินสักก้อนหนึ่งเอาไปวางไว้และฉันก็ยังมีปืนลูกกระดุลสั้นอยู่กระบอกหนะึ่งในเป้หลังทั้งปืนทั้งกระสุนไม่ได้เอาออกมาปรากพรมน้ำมนต์ด้วยฉันจะให้แกลองยิงดูดูซิว่ายิงออกไหมถ้ายิงไม่ออกก็แปลว่าอาคมขั้นตำ่ำบังคับปืนกระบอกนี้ไว้ได้ หลังจากนั้นเราก็จะให้แกใช้ปืนที่พรมน้ำมนแล้วทดลองยิงดูอีกครั้งเพื่อหาข้อแตกต่างลองดูไหมอนุชาเป็นคนพูดขึ้นเอเข้าทนีนี่ขออนุญาตลองตามที่กลางบอกนิดหน่อยได้ไหมประโยคหลังชยันหันไปถามเชิดถาอันเป็นผู้ทําน้ำมนนั้นเอาเอาจะลองดูก็ได้ อย่างน้อยก็จะยิ่งทําให้กําลังใจของพวกเราดีขึ้นบัาแต่ลุงอินทําได้เหรอไอชนิดเสกก้อนหินให้ยิงไม่ออกอะ่ะจากสีหน้าสงบเฉยไม่สอปฏิกิริยาหรือคุยโวอะไรทั้งสิน้นครูพรานผู้เพียบพร้อมไปด้วยสยเวทอาคมก้มลงหยิบก้อนหินจากพื้นขึ้นมาก้อนหนึ่งขนาดเท่ากําปัน้นร่าใจไร้อาคมะไรอยู่อึดใจนะ และวนำไปวางไว้บนโขดหินนอกที่พักห่างเพียงหกเจ็ดเมตรและเดินกลับเข้ามาพูดกับอดีตพรานชดว่าไหนปืนกับกระสุนของนายที่ว่ายังไม่ได้พรมน้ำมนะ่ะเอามาส่งให้นายทหารสิแล้วก็ให้นายทหารยิงถ้ามันมีนัดใดนัดหนึ่งลั่นแม้แต่โปองเดียวเอาละนั น, นอินจะยอมนอนให้เหยียบเลย ของบันนี้มันง่ายๆไม่งั้นาน้าอินมาอยู่มาจนถึงเดี๋ยวนี้รกคำพูดของแกทำให้ทุกคนตื่นเต้นอีกครั้งอนุชาไปที่เป้หลังของตนคว้าปืนลูกกระสั้นแบบซิงเกิลแอคชั่นมาส่งให้ชา ย, ยันพยักหน้าบอกว่าอะยิงก่อนยิงก็ตรวจกระสุนซะก่อนมันครบหกนัดนั่นแหละใช้จุดสองสองแมกนัมด้วยชา ย, ยันรับมาโดยเร็ว เปิดประตูท้ายโมเทกระสุนออกมาสำรวจพบว่าบรรจุด้วยลูกกรดแมกนัมแต่ละนัดใหม่อี่มและมองหน้าพักพวกคนโน้นทีคนนี้ทีเทถาก็พยักหน้าเป็นความหมายให้ลองยิงดูอดีตนตายทหารปืนใหญ่จึงพนมมือขึ้นต่าวขึ้นดังๆว่าจะประคูณลูกช้างไม่ได้คิดที่จะลองดีในพระพุทธานุภาพ และอระหันตเจ้าทุกพระองค์ที่ประธานสวัสดีภาพโชคชัยมาให้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายกาลีที่เรากําลังเผชิญอยู่นี่รอกแต่ขอให้ลูกได้เห็นเป็นขวัญตาสักนี้เถอะก่อนจะไ ป, ปะเผชิญหน้ากับของจริงพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าได้คิดว่าเป็นการลบลูดูแค้นเลยจักรพูนกล่าวจบเขาก็งางนกขึ้นเล็งไปยังก้อนหินที่นานอินเอาไปวางนั้นแล้วลั่นไกอย่างบรรจง เสียงนกสับลงไปบนท้ายเข็มแทงชนวนดังแชทุกคนยืนดูเงียบชายัน ง, ง้างนกอีกแล้วก็ยิงอีกจนครบหกนัดที่บรรจุอยู่ผลก็อย่างเดิมคือไม่มีนัดไหนลั่นเลยสักโป้งสายเวทของหนานอินพิสูชัดว่ามีอิทธิอำนาจยิงจริง ชยันกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดแล้วยิ้ใหญ่แย่ไม่ลุงอินลุงนี่มีดีเกินกว่าที่พวกเราจะรู้ซเนีกน่ะนายทหารนี่มันก็แค่ดดรัจฉานวิชาชั้นตันเท่านั้นก็แค่ทําให้ปืนยิงไม่ออกเวทมนต์ของไอ้ผีดิบเน่ยมันแน่ยิ่งกว่านี้หลายเท่านักนะนายทหาร <c oughs> <c oughs> นั้นอินบอกมาพร้อมกับหัวร่อหืดในลําคอ และพยักหน้าบอกต่อมาว่าอ่ะคราวนี้ก็ลองใหม่มหาอุมหาอุดของหนานอินจะทานอำนาจพุทธานุภาพจากปืนกับกระสุนที่พรมน้ำมนไว้แล้วได้ไหมเอาปืนสั้นของนายทหารที่พรมน้ำมนแล้วนั่นแหละลองยิงดูนายทหารอยากเห็นไม่ใช่หรือชายิงชายันคว้าลูกโม่จุดสี่สี่แมกนัมประจำตัว ที่ผ่านการปรับพรมน้ำมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาทันทีเทานะคราวนี้ร้องใหม่เขาร้องบอกทุกคนอ่ะยิงชัยยันเชษฐาอนุชาและดาริงร้องบอกมาเป็นเสียงเดียวกันชัยยันจับสองมือนางนกยกขึ้นเล่งแล้วแตะไก่ ทันทีที่นกสับลงเสียงระเบิดของกระสุนจุด44แมกนัมจากปืนสั้นดังสนั่นที่พักแล้วก้อนหินลลอาคมของหนานอินที่นำไปวางเป็นเป้าอยู่ก็กระจายวับไปกักตาเหลือไว้แต่เพียงฝุ่นคลุ้งท่ามกลางทุกสายตาที่เพ่งจับดูอยู่ชยันนั้นแทบกระโดดตัวลอยหน้าแดงกัน โผ oh, เข้ากอดเชษถ่ถาไว้อย่างลืมตัวตะโกนลั่นชโยเราได้อำนาจที่เหนือกว่าอำนาจจันไรของไอ้มันไตรแล้วเวย้ยคราวนี้ให้มันแหกมาเถอะนัดไหนก็นัดนั้นถ้าตูมออกไปมันจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกแน่นอนอนุชา ย, ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกและทุกคนในคณะรวมทั้งพวกลูกหาบก็บังเกิดความมั่นใจอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยขวัญและกำลังใจและเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นอนุชาเองก็เอากระสุนที่ชายันยิงแล้วไม่ออกถอดออกมาบรรจุใหม่เลือกขอบของกระสุนบริเวณที่ยังไม่ถูกเข็มแทงชนวนสับลงไปให้ตรงกับตำแหน่งที่เข็มจะตีลงมาใหม่อีกครั้งแล้วส่งให้ชายันเอาละอีกทีนีลองอีกทีเดี๋ยวจะหาว่ากระสุนของฉันน่ะมันเก่า ที่ยิงก้อนหินเศษของลุงอินไม่ออกตะ ก, กี้นี้คราวนี้แกลองยิงใหม่สองปากกระบอกปืงขึ้นฟ้านะดูว่ามันจะลั่นไหมช้ยันรับมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกในขณะนี้เก้าไปพ้นบริเวณเพิงหินที่เข้ามาพักกันอยู่สองปากลำกล้องขึ้นฟ้าแล้วนางนกลั่นไก่มันก็แผลเปรี้ยงแซบ แก้วหูสะท้านไปในความเงียบของราตรีกลางไทยึกแสดงว่าทั้งปืนและลูกกระสุนของอนุชาที่เขายิงไม่ลั่นเมื่อครู่นี้ขณะที่จ้องเล็งไปยังก้อนหินเศษของหนานอินยังใช้ได้ดีทุกประการลูกหาได้ด้านไม่ชายันตาวาวด้วยความดีใจสุดขีดเขายิงเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วส่งปืนคืนให้เจ้าของ โดยไม่จำเป็นจะต้องยิงพิสูจน์ให้หมดทั้งหกนัดเพราะแน่ใจว่ามันจะต้องลั่นแน่ทุกนัดได้อำนาจทางพระพุทธคุณตามข้อแนะนำของนานอินเป็นที่พอใจและแน่ใจกันทุกคนละเฉถาก็บอกให้พวกลูกหาเตรียมพักผ่อนโดยก่อไฟนอนรวมกลุ่มกันอยู่ยังตำแหน่งที่พักใต้เพิงหินอันปลอดภัยที่สุดในภูมิประเทศแวดล้อม เช่นที่เผชิญกันอยู่ตัวเขาเองน้องสาวและเพื่อนร่วมตายยังคงนั่งผิงไฟดื่มกาแฟกันอยู่มีหนานอินกับขยินอันจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญของคณะในการเดินทางเข้ามาร่วมวงอยู่ด้วยนี่ขยินเราจะมุ่งเข้าหาคนครหลับที่เองเคยผ่านกับพวกเจ้านายมาแล้ว เอ็งคิดว่พอจะจำทางได้ไหมวะเจ้าองคุรีมานแห่งหลุมช้างซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนิสัยจากคน ข, ขี้ขลาดผีกลายมาเป็นคนกล้าหาญต่อทุกสิ่งทุกอย่างพระรพินฝึกจนกลายเป็นคนใหม่นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้าบอกง่ายๆว่าถ้าเข้าถึงที่ใกล้เคียงข้าก็พอจะจำอะไรได้บ้างพรุ่งนี้เราจะอ้อมเขาน้ำตกเข้าดงดิบ มุ่งไปทางเหนือเฉียงเฉียงตะวันตกถ้าพบทุ่งโล่งบนที่ราบสูงก็มันละนครหลับอยู่ตรงนั้นแหละและมีอะไรเป็นข้อติดเองพอจะจำได้มั่งวะไอ้ขยินครูพรานถามต่อไปอย่างแสวงหาข้อมูลเพราะเชื่อแน่ว่าจะยังไงซะในายใหญ่นายทหารหรือนายหญิงก็คงจะไม่แม่นยำต่อสถานที่ได้เท่ากับลูกป่าโดยกาเนิดอย่างขยิน ตอดเวลาที่หนานอินเรียกขยินเข้ามาปรึกษาฝ่ายเจ้านายก็ร่วมฟังอยู่ด้วยมันมีขอบกําแพงเมืองอะ่ะมีเนินเขาสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำเป็นป่าช้ามีกองหินหักเหมือนบ้านเมืองพังอยู่กลางทุ่งราบที่เห็นง่ายแล้วก็ซาก ข, ของปราสาท พ, พันธุมาวดีกลางดงเถาวันที่นายใหญ่ระเบิดทลายไว้เฮนะ้ยนะขอเชียดก็ไปเถอะขจํ า, จาได้แน่ลงุง เ อ, ออเอดีถ้า ง, งั้นทุ่งนี้เองนําทางน่ะข้ากับพรานชดไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนอ้าวลุงแล้วจะไปกันทําไมอ่ะไอ้ที่เมืองร้างเก่านั่นะ้ายินถามซื่อซื่อโง่โ ง, งตามประษามันก็ไปเยี่ยมไอ้มันไรสิคราวที่แล้วพวกนายราพินก็เองรวมทั้งเจ้านายทั้งหลายยังปล่อยให้มันมีฤทธิ์เหลืออยู่อีกทําความลําบากให้เรามาก คราวนี้เราจะเอามันไม่ห้ไม่ได้พูดได้เกินอีกแล้วว่าแต่เองยังกลัวมันหรือเปล่าหรอวะโอ้ยอยู่ใกล้พรานใหญ่ก็ยินไม่กลัวอะไรหรอกเจ้านายบ้านลุมช้างตอบมันหน้าตาเฉยนานอินตามปกติเป็นคนใจเย็นมากแต่คราวนี้จะถึงก็งางเท้าเดี๋ยวพัดถีบหกคำเม่เลยเวนตอนนี้เองไม่ได้อยู่ใกล้พรานใหญ่ ได้อยู่ใกล้พรานเล็กๆอย่างข่ากับพรานชดแล้วตอนนี้เองกลัวไหมละ่ะอา้าวท่าลุงไม่กลัวแล้วพรานชดไม่กลัวข้ายิงก็ไม่รู้จะกลัวไปทําไมก็เท่านันเละถ้าเองไม่ตาข่าวซี่อย่างเดียวอะข่ากับพรานชดก็เชื่อว่าเองจะต้องพาไปพบจนได้รลรอวะลําพังในายใหญ่นายทหารแล้วก็นายหญิงใครยังไม่ไว้ใจนักว่าจะนําทางถูก พราะถึงยังไงก็ชํานาญทางสู้เองไม่ได้หรือวะขยินพยักหน้างึกเงึกพูดโดยเสียงห้าวตามธรรมชาติของมันว่าแล้วไอ้ช้างหางด้วนของนายหญิงอะ่ะมันจะต้องรู้เส้นทางดีกว่าข่าสิทนายหญิงสั่งมันมันก็จะพาไปได้ถูกเร็วกว่าให้ขยิงคลำทางดีนี่ น, น, นี่เองอะ่ะไม่ต้องไปเกี่ยงอะไรกับไอ้ช้างตัวนั้นหรอกถึงจะแสนดูยังไง มันก็ยังไม่แสนรู้ไปกว่าเองหรอกไอ้ขยินเพราะเองน่ะเป็นคนฉลาดกว่ามันมากนะักแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนละอีกเมื่อไรถึงจะโผล่มาจะไปฝากความหวังอะไรกับสัตว์ได้ไรฉ า, านได้ไงนานอินว่าดารินก็สื่อมาด้วยเสียงนุ่มแสดงความเมตตาต่อขยินอีกคนหนึ่งนี่ขยินถูกตามที่ลุงอินว่าแล้วละ่ะ หรือยังไงเราก็เห็นว่าขยิงมีความสำคัญกว่าเจ้าด้วนซึ่งเป็นแต่เพียงช้างถรามันโผล่ไม่เห็นอีกฉันก็จะพยายามให้มันนำเข้าไปสู่นครหลับให้ได้แต่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะกล้านาเข้าไปในถิ่นของมันไตรไหมแต่ขยินน่ะมีความเก่งกล้าสามารถแน่และเพราะเป็นลูกศิษย์นายราพินเหมือนกันจริงไหมโดนกิ ต, ตวิทยาขั้นพื้นฐานเขาแบบนี้ เจ้านักเลงโตหล่มช้างยิ้ม ย, งยิงฟันออกมาได้ยืดอกอันใหญ่โตขึ้นทันทีเอ้ยเจ้านายทุกคนไม่ต้องหวง่วงหรอกขยินรับนําทางเองตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนกว่าจะถึงนครหลับจะขอรับไก่มันไารอีกสักตั้งคราวนี้้ามันไม่แหลกเราก็เละใช้ยันหัวรอกกากเอื้อมือมาตบไหลในบ้านลมช้าง ซึ่งพบกันในครั้งแรกสมัยโนดยวนบาทาและน่าสะพึงกลัวที่สุดและไม่นึกฝันว่าต่อมามันจะกลายเป็นเบาผู้ร่วมตายเออมันต้องให้ใดอย่างงี้สิขยินผู้กล้าหารในบรรดาพรานคู่ใจของพรานใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญคำจนันเกิดหรือเสยฉันว่าใครยินมีฝีมือเหนือกว่ามากนักขนาดเอาหูฟังแผ่นดินก็รู้ว่าคนหรือผีเดินในบ่อโครน ใครไปไม่ได้ขยินก็เลือ้อยตัวไปได้เหมือนงูขาดน้ำขยินเอาจมูกร่อนดมก็รู้ว่าน้ำอยู่ตรงไหนไปหามาจนได้เรื่องทุกอย่างในปา่าขยินรู้ชัยยันเว้นระยะไปนิดนึงปล่อยให้เจ้าขายินยิ้มแก้มแทบแตกแล้วก็หักมุมเรียบๆว่าขายินรู้กระทั่งว่าเมื่อไรจะหลบ รู้ว่าเมื่อไรจะวิ่งแล้วก็วิ่งเร็วแค่ไหนไม่มีใครตามกยินทันด้วยเรอคราวนี้รอยยิ้มภาคภูมิของกระยินเปลี่ยนมาเป็นยิ้มแห้งๆเอามือเกาหัวบนอุบอิบในขณะที่คณะทุกคนแม้แต่เชษฐาหัวเราะครื้นกันออกมาได้พร้อมกันด้วยคำพูดหักมุมของชัยยันนาย อยู่ในป่ามันก็ต้องรู้จักทั้งหนีและสู้อย่างนี้แหละขยินพูดมาอย่างตักกระสับถ้าจะคิดสู้อย่างเดียวโดยไม่อย่างกําลังของตอนเองก่อนขยินก็อยู่มาไม่ได้มันทุกวันนี้หรอกนายพรานใหญ่ก็เคยวิ่งป่าราบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนลุงอินหรือพรานชดก็เคยวิ่งอ้าวไม่จะถามดูดิเออเออจริงของเอง มัมีใครเถียงเองในข้อนี้หรอกอนุชาบอกมายิ้มยิมกรอกบร่นดีลงถ้วยส่งไปให้หสําคัญว่าเวลาเองจะวิ่งจะวิ่งรอพักพวกมั่งกันแล้วกันแล้วก็อย่าวิ่งเอาแต่ตัวรอดอย่างเดียวรู้จักวิ่งย้อนกลับมาช่วยพักพวกมั่งอดีตนายบ้านหลมช้างผู้ทิ้งความสุขส่วนตัวตามประสาของมันมุ่งมาสมทบคณะเจ้านายเก่าด้วยใจรักพักดี นิ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยถามปลปลยๆว่านี่มีใครในพวกเจ้านายคิดเหมือนกับยินมั่งไ้ยนี่คิดอะไรอะก็ยินแล้วก็คิดยังไงผู้ยิ่งใหญ่ในบรรดากระเรียงดงทั้งหลายหันหน้าฝาความมืดของราตรีออกไปยังราวพรายดำทะมึนแล้วเอ่ยช้า ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปถึงนครหลับโดยไม่ไปหลงทางหรือล่าช้าอยู่ที่ไหนนายรพินคงจะต้องบุกเข้าถึงแดนผีสิงนั่นล่วงหน้าเราก่อนแล้วเวลานี้คืนนี้เขาจะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็คงคิดมุ่งที่จะเข้าสู่นครหลับให้ได้เพราะเขาถูกมันเล่นงานสะบักสะบอมมาก่อนเราแล้ว เป็นคำพูดที่แสดงถึงความฉลาดและแนวความคิดอันลึกซึ้งที่สุดของขยินทุกคนที่กำลังมีอารมณ์ขบขันรื่นเริองอยู่โดยการสนทนาเชิงหยอกล้อพากันหยุดเงียบกริบไปในทันทีนั้นราวกับนัดกันไว้